อาจันตุ้มเป็นไงภาวนาเป็นยงไงบ้างคอยรู้นาะใจของเราพวกชอบปฏิบัติเนี่ยบางทีมันชอบเข้าไปแช่ไปแช่อยู่กับอารมณ์อันใดนหนึ่งไปแช่แล้วมันนิ่งๆล้วก็ว่ามันภาวนาดีให้คอยรู้ทันมัน ใจได้เป็นอิสระไม่ลงไปแช่ไว้ตนนแต่ว่าคอยระวงะังอันนึงอย่าไปประคองไว้นะยังประคองอยู่คุณเสื้อแดงนี่นหละตามดูก็ได้นะคือแล้วแต่ว่าแต่ละคนนะทางใครทางมันนะการปฏิบัติ ง่ยก็ฟังบ่อยๆนะมีหน้าคนฟังฟังไปจนตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้ว อ, อ้วนเป็นไงอ้วนอ้วนภอวนาดีแล้วล่ะรู้ลูกเดียวเลยนะรู้ไปเรื่อยๆทำได้ดีแล้วล่ะใจมันตื่นรู้สึกไหมมันมันมันพลิกกันนิดเดียว รู้กระหลงนะ้ําต่างกันนิดเดียวเปนคลิกคลิกเดียวก็หลงละคลิกหนึ่งก็รู้นะแล้วก็หลุดไปก็รู้นะแค่นั้นแหละวันมันทําได้ดีแล้วนะสังเกตไหมว่ากิเลสพอมันไหวแวบบเราก็เห็นเองเห็นโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นการที่เราสามารถฝึกจนสติเกิดได้เองนี่แหละใช้ได้ละ สติปัฏฐานเนี่ยเราอุตสาหทำมาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกเพื่อให้เกิดสติตอนนี้สติของโอนเกิดละใจขยับเลิกนึงก็เห็นเล็กนึงก็เห็นนะ อ, อ, นอืั่นแหละดีแล้วนะทําไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจ น, นะเดีละภาวนาได้ดีเลยล่ะการปฏิบัติ พอเรามาถึงจุดนี้มันจะเหลือนิดเดียวหลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วก็รู้คลิกคลิกคลิกขึ้นมาเรืเ่อยๆครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเหมือนเอาก้อนหินโยนลงบ่อน้ำํำบางทีๆนะ่แนะแหน่มันค่อยๆแหวกแหว ก, กไม่เอาหรอกไม่เอาอนสักอันหนึ่ง จิตจะเป็นยังไงก็ได้เราดูในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราวันดูออกไหมมันทํางานของมันเองมันทําได้ดีแล้วนะทําไป๊บการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องทําจนถึงจุดที่จิตมันทํำเองจิตมันรู้เองสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดใจไหวแป๊บ่อเห็นนะความรู้ตัวก็ผุดแับขึ้นมาหยุดไม่ได้เราไม่ได้เรียนเพื่อให้หยุดนะ เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้เผลอไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอะไรเลยฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราหยุดมันไม่ได้หรอกเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปใจะจะค่อยๆวางไปลําดับลําดับไปนะถึงจุดสุดท้ายมันจะวางจิตลงไปค้นรู้สึกไหมว่าเวลาเราดูบางทีมันเหมือนไปหยิบฉวยจิตขึ้นมา น, น, นั่นแหละนั่นแหละ จะ ต, ตื่นต้มมันช่วยเลยแล้วมันจะช่วยไปเรื่อยๆนะจนถึงเวลาที่เป็นพระอรหันต์ต่อไปมันจะเริ่มวางบ้างวางได้เป็นขณนะขณะแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวก็วางหนึ่ก็หยิบนะภาวนาได้ดีแล้วล่วทําไปอย่าขี้เกียจนะไอ้เขามาทีหลังมาทีหลังเขาดังกว่าดีแล้วอ้ น, อนทําได้ดีแล้ว ตื่นเช้าขึ้นมางานแรกก็คือไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาดูมันทำของมันเองมันทำของมันเองเราห้ามมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามนะจาไม่เลยใช่มีจิตก็มันก็ทุกเนะี่ยดูไปเรื่อยตราบใดที่ยังมีจิตอยู่ก็ยังมีทุกอยู่เพราะพระพุทธเจ้าสอนตรงๆเลยนะขันห้าเป็นทุกจิตนั่นแหละตัวทุก แต่ว่าคนในโลกน้อยนักที่จะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ได้จะเห็นแต่ว่าถ้าจิตนี่ไหลไปอยากไปยึดจิตถึงจะทุกข์และจิตอยู่อิสระอยู่เป็นตัวของตัวเองอยู่รู้สึกไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้ยังเห็นไม่ตรงถ้าเห็นตรงจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้นล้วนเลยไม่ใช่มีสองอย่างถ้ายังมีสองอย่างว่า รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นสุขไหลไปเป็นทุกข์เนี่ยมันจะพยายามรู้สึกตัวมันจะพยายามเอาพยายามจะเอาจิตที่รู้สึกตัวพยายามจะหนีจิตที่หลงไปจอยากไปยึดเพราะงั้นงานในใจเรายัางไม่สิ้นสุดแต่ถ้าวันใดที่อ้นเห็นว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะมันจะไม่เอาจิตจะวางจิตพอปล่อยวางจิต ง, งานใน ใ, นใจของเราจะหมดสิ้นลงตรงนั้นนะแล้วมันจะพ้นทุกข์นะมันพ้นทุกข์อย่างอัศจรรย์ อัศจรรย์ที่สุดเลยงั้นตราบใดยังเป็นคู่คู่อยู่มีจิตที่รู้กับมีจิตที่เผลออยู่เจิตเป็นคู่คู่งานยังไม่เสร็จต้องดูไปอีกงั้นจะมีอันหนึ่งสุขอันหนึ่งทุกข์อันหนึ่งดีอนหนึ่งชั่วอันหนึ่งหยาบอันหนึ่งละเอียดรู้สึกไหมเขาไหลออกไปก็หยาบรู้สึกขึ้นมาก็ละเอียดเขาไหลไปก็ชั่วรู้สึกขึ้นมาก็ดี ใ, ดใช่ เราห้ามไม่ได้เราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้หลงคิดนะเราไม่เรียนเพื่อจะแทรกแทงอะไรสักอย่างเดียวเลยแต่เรียนจนกระทั่งมันยอมวางแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาไปหยิบฉวยขึ้นมาหยิบฉวยขึ้นมาภาระทางใจก็ยังเกิดขึ้นอีกรู้สึกไม่มีภาระที่ต้องคอยรู้คอยดูไปเรืนะ่อยมันทํางานไม่เลิกนะถ้าภาวนาจนมันเลิกหยิบฉวยขึ้นมานะมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งบอกว่าขันห้า เป็นภาระนะขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลแบกภาระแบกบของหนักออกไปเนี่ยไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพนะระริยเจ้าวางของหนักลงแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกมันจะวางเอนงอนะงถ้าวางแล้วอยู่ไม่ได้ละต้องไปบวช <c oughs> อยู่กับโลกก็ไม่ได้ลวนะวดูไปเรื่อยนะอย่ากลัวนะ กลัวว่าจะต้องบวชเดี๋ยวอะไรไม่ยอมดูกลัวจะต้องบวชมีแจะทุกข์ร้วนร้นรู้สึกไหมทุกข์ร้วนรไอนนี่ดูไปเลยไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้ฉวยแต่ดูเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราดูเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันทำงานทั้งวันเลย เปลี่ยนแปลงทั้งวันดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาอันใดอันหนึ่งหรือเพื่อจะทิ้งอันใดอันหนึ่งนนะั้ปัญญาก็อยู่ที่ไตรลักษณ์นี่แหละถ้าเห็นไตรลักษณ์ได้ก็วางนะเห็นไม่ได้ก็หยิบฉวยไปเรื่อยๆนี่คนทั้งหลายนี่หยิบฉวยจนชินพอไปหยิบฉวยสิ่งที่ละเอียดขึ้นมานะก็รู้สึกเป็นสุขแล้วถ้ไปหยาบถ่งจะเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราสติปัญญาแหลมคมเห็นเลยว่าแค่หยิบนิดเดียวก็ทุกข์ละทุกข์ในความไม่แช่มชื่นใจเกิดโทสะเกิดได้ง่ายเพราะเราพื้นฐานเดิมของเราเป็นพวกโทสะมันเห็นทุกข์ทันทีที่ความทุกข์เกิดนะ่ะโทสะก็แทรกก็ให้รู้ทันอีกกระบวนการทำงานปกติเลยมันทำได้ดีนะทำไปรู้สึกไหมว่าทาอะไรไม่ได้หรอกจริง มันไม่มีอะไรทามันทำของมันเองนี่แหละ ย, ยอดของการปฏิบัติแหละปฏิบัติจนมันปฏิบัติของมันเองไม่ใช่เราปฏิบัติถ้าตราบใดที่เรายังปฏิบัติอยู่นะโยนี่เป็นของปลอมหมดเลยมันก็คือภพชาติตัวหนึ่งที่เราไปสร้างมันขึ้นมาเราคิดว่าต้องสร้างอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้ววันหนึ่งจะดีไม่ดีหรอกไม่มีวันดีได้เลย อ่มันยังต้องดูอยู่อ่มันยังต้องดูอยู่ท่องงานมันยังไม่หมดก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะดูไปดูไปเจอจิตมันดูของมันเองอ่ะมันดูของมันเองแ้วง่ายนิดเดียวเลยวันๆไม่ต้องทําอะไรนะมันทําของมันเองคุณเป็นสีเป็นไงออนั่นแหละดีล่ะดีละอะไรส อืมอืมใช่แล้วกิเลสเกิดก็เห็นเองแหละนะอย่า ก, กลัวนะการปฏิบัติอย่า ก, กลัวว่าจะเผลอจะหลงนะไม่ต้องกลัวเลยถ้ากลัวอยู่ตรามใดนะมันคนที่กลนะ้าอ่ะไม่กล้าออกมาสู้สักทีนะไม่เกิดสติเกิดปัญญา จ, จริงหรอกนะต้องกล้าปล่อยกล้าปล่อยมันแล้วก็ดูมันมันทํางานของมันไปเรื่อยเลยเราเป็นคนดูไม่มีส่วนได้เสีย เขาละเอียดหรืออยาบช่างมันนะบางครั้งเขาก็ทํางานละเอียดบางครั้งเขาก็ทำงานห ย, ยาบงานที่ละเอียดหรือหยาบเสมอภาคกันไม่เที่ยงถ้าจิตไปยินดีในความละเอียดเกลียดความหยาบนะก็หลงเหมือนกันนะก็พลาดเหมือนกันงั้นเสมอภาคกันนะความหยาบความละเอียดภายในภายนอกนะกุศลเนื้อกุศล ส, สุขหรือทุกข์เสมอภาคกัน องจะคลายไม่เป็นไรนะดูไปเรื่อยดีขึ้นตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซ็นตแล้วแต่ก่อนประคองแต่ไม่เห็นไงเราคิดว่าการประคองนี่แหละคือการปฏิบัติความจริงมันก็คือการกระทำด้วยภาวะตัณหานั่นเองเราอยากให้มันดีอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นคนดีอยากบรรลุเป็นพระริยาอะไรเงี้ยเราอยากได้สภาวะอันใดอันหนึ่งนั่นก็คือตัวภาวะตัณหา ก็เกิดการประคองการประคองเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียก ว, ว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายกุศลถามว่าทําให้บรรลุไหมไม่บรรลุหรอกเพราะว่ารากเง่าของการประคองก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราคิดว่าเป็นตัวเราเลยไปประคองไว้หวังว่าวันหนึ่งมันจะดีเราจะได้ดีเราจะได้สุขเราจะได้พ้นทุกข์งั้นการปฏิบัติอย่างเข้าไม่ถึง รู้ลงมาไม่ถึงกายถึงใจแท้ๆของเรานะจนมันไม่เห็นเป็นทุกข์อ่ะยังเรียนยังผิวเผินอยนู่นการปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้เข้ามาจนถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้ได้สาระแก่นสารจริงๆรู้เลยว่าเนี่ยที่อุตส่าห์ไปปฏิบัติทำแทบเป็นแทบตายนะเพื่อตอบสนองความเป็นตัวเรานั่นเองนะอยากให้เราดีอยากให้เราสุขอยากให้เราพ้นทุกขนะ์ถ้ารู้ทันลงไปนี้มันประคองอยู่นี้นะ่ประคองอยู่นี่เพราะมันอยากดีอยากสุขนั่นแหละ รู้ทันการประครองก็คือความปรุงแต่งฝ่ายกุศลที่ประคองก็เพราะว่าจิตคือตัวเราเราเลยต้องประคองไว้ถ้าไม่ใช่เราเราจะไปประคองมันทําไมใช่ไหมมันจะหมดภาระดังาการประครองก็ยังเป็นงานเป็นภาระทางใจเรียกว่ากรรมฐาน <c oughs> คือยังมีการทํางานอยู่นะคุณถัดไป <c oughs> ไม่ใช่ นะปิติไม่ใช่อกุศลเพราะงั้นปิติเกิดขึ้นได้แม้ในพระอริยะยังมีปิติเลยนะพระอรหันยังมีปิติได้เลยนะงั้นปิติไม่ใช่เครื่องวัดว่าหลงไปนะแต่ถ้าใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาแลนะั่ะหลงแน่นอนนะจิตที่เป็นทุกข์ทุกหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งแล้วก็เป็นอกุศลจิตที่โลภโกรธหลงขึ้นมาเป็นอกุศนจิตมีปิติไม่ได้อกุศล ปีตินี่เป็นกลางกลางนะเกือบๆฝ่ายชั่วๆก็ได้นะเออข่าก็ได้แล้วปีติอย่างเงี้ยข <c oughs> อบคุณถัดใจ <c oughs> ดีนะเอาให้ได้หลายๆร้ยอยเที่ยวนะเ อ, อยิ่งมากยิ่งดีแต่เดิมหลุดมันละเที่ยวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหลุดตลอดไม่เคยเห็นเลยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วใช่มไใมไหลไปรู้ไหลไปรู้ ไอ้นั่นธรรมดาต้องต้องเป็นอย่างนั้นเออน่นอยดูอย่างนั้นดีแล้วนะดูไปเด้ทำได้ดีแล้วอะคุณที่พิงเก้าอี้นั่น ที่เป็นกุศลมีสติเนี่ยมันมีเวทนาได้สองอย่างอันหนึงโสมนัสเวทนาคือความเบิกบานอันนึงอุเบกขาเป็นกลางนะมีได้สองอย่างแต่ไม่มีโทมนัตนะถ้ารู้สึกเป็นทุกข์ในใจคดเครียดในใจแสดงว่าอากุศลแน่นอนนั่นเฉยๆได้แต่เฉยๆจะต้องไม่แข็งไม่ทื่อสังเกต ด, ดูถ้าแข็งแข็งทื่อๆแสดงว่าประคองไว้ถ้าเฉยแบบซึ้บื้อทื่อๆแข็งๆแล้วก็แสดงว่าประคองไว้ ของคุณใช้ได้ไม่ได้ประคองหรอกทำได้ดีแล้วอา้าถัดมาละ่ะ ร่างกายก็ต้องพักนะพักไม่พอมันสะสมด้วยนะถึงเวลาพักก็พักยาวเลยเ อ, าอ้าวจเออนิ่ม น, มนิมก็ดีแล้วเนี่ยอ <c oughs> เอเดี๋ยวนี้ภาวนาดีขึ้นเนยอะนะดีกันทั่วทั่วเลยนุชรัตน์ก็ดีภาวนาได้ดีกันคุณผู้ชายนี่ แล้วมาใหม่เแล้วเคสอะไรนะแล้วตระกูลนี้ดีนะตระกูลนี้เข้าวัด ท, ทั้งบ้านเลยเนาะ <laughs> อ๋อไม่ทั้งบ้าน <laughs> เคยมาไหมไม่เคยเลยหน้าตาคุนค้นขุน no, <no>, no. อ๋อล่ะ <laughs> แล้วหนุ่ยศึกไหมยนะังเออหลือ <laughs> ทําไมล่ะศ <laughs> <laughs> ึกแล้วศึกแล้วไม่กล้ามาหาเลย คอยดูใจเราไว้นะใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นรู้สึกไหมบางวันตื่นมาก็ห่อเหี่ยวใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันคอยรู้ไปเรื่อยๆนะดูไปถ้าคอยดูตรงนี้ได้นะการปฏิบัติก็ง่ายๆแะ้ะนี่พวกเราชอบวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้ให้เหนือความจริงรคิดแต่ว่าจะต้องทํำยังไงนะถึงจะถูก ความจริงไม่ได้ทำอะไรเลยร่างกายจิตใจมันทำงานของมันอยู่แล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าเผลออย่าหลงไปแล้วก็อย่าไปเพ่งไว้รู้สึกไปอย่างที่เขาเป็นในีสุดปัญญามันจะเกิดถ้ามันมัวแต่เผลอลูกเดียวนะปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะมันลืมกายลืมใจปัญญาก็คือการรู้ความจริงของกายของใจ น, นั่นเอง ปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี่เองในตำราชับใช้คำบอกว่าความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็คือกายกับใจเรานี่เองรู้ตามความเป็นจริงีมีปัญญานี่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราคอยรู้บ่อยๆคอยดูบ่อยๆถ้านานๆรู้ทีหนึ่งนะก็ไม่ค่อยมีความเฉลียวฉลาดอะไร ถ้ารู้บ่อยๆก็จะเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เห็นซ้ําไปซ้ํามาจนกระทั่งมันปล่อยวางถึงจุดหนึ่งมันวางวางของเขาเองอีกฝ่ายนะึงก็ชอบไปนั่งเพ่งเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเช่นจะขยับมือก็เพ่งไว้ทําหน้าให้ดูนะต้องทําดูเฉยเมยกับชีวิตมากเลยนะกระดุกกระดิกอันนี้แกล้งนะนี่แกล้งทําการปฏิบัติจริงๆคือธรรมดาที่สุดเลยไม่ใช่แกล้งทํา ไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับใจตอนที่เผลอไปเรียกว่าการสุขขันการนุโยคตอนที่บังคับกายบังคับใจตัวเองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยก็คือนักบังคับตัวเองคอยบังคับไปเรื่อยๆเบาๆหน่อยก็เรียกประคองรู้สึกไหมประคองถ้าหนักกว่าประคองก็คือกําหนดหนักกว่ากำหนดก็คือการไปเพ่งไว้ แบบเดียวกัน น, นั่นเองแต่ดีกรีเข้มข้นไม่เท่ากันรวมความก็คือตัวอัตตากิลมาฐานุโยก น, นั่นเองทำไมถึงไปบังคับมันไปควบคุมมันเพราะอยากจะให้กายนี้ใจนี้ดีอยากจะให้จิตใจแล้วล่ะมีความสุขอยากจะให้จิตใจนี้บรรลุธรรมมั้ยนะุ่งตอบสนองความเป็นตัวเราของจิตใจ น, นั่นเองวิวเป็นไงวิว ปกติแล้วแสดงว่ามีศีลมีไหมศีลมีนะอย่าทิ้งศีล น, นะทิ้งศีลเดี๋ยวไปได้เหลืองนะอ <c oughs> ังเก็นไห่เหลืองเป็นหมาที่ร่ำรวย <c oughs> คนชอบซื้อขนมมาให้มันกินบางทีก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้มันมันก็ไม่ชอบ ซ, อซื้อนอนมาให้มันนี่ให้มันมันร่ำรวยนะแต่มันเป็นหมา เพรมันไม่มีศีลมีโมหะไงแล้วมันทุศีลอยู่ตัวอะไรเป็นหมาอ๋อทําทานดีททนดนกุศลกับอกุศลไม่ล้างกันนะงั้นอย่านึกนะว่าไปทํากรรมชั่วแล้วไปทําบุญมันจะล้างกันไม่ล้างกันหรอกนะอย่างถ้าเราพอกฟูนกิเลสมากเลย เวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ขาปฏิปทาพวกที่กิเลส ร, รุนแรงเนะ่ยเวลาลงมือทําแล้วจะเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเลย ก, กว่าจะผ่านไปได้แต่ถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญามามากอินทรีย์เราแก่กล้าเราจะบรรลุเร็วนั่นจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอยู่ที่ว่าฝ่ายกุศลเรามากแค่ไหนถ้าฝ่ายกุศลเราอบรมมาดีอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วกุศลน้อยหน่อยก็บรรลุช้าหน่อย การปฏิบัติลําบากหรือสบายอยู่ที่ว่ากิเลสของเรารุนแรงแค่ไหน่าบางคนโมหะมากเขปฏิบัติลาบากนะกว่าจะตื่นขึ้นมาเนี่ยล้มลุกลุกครานเนหน็เดเหนื่อยมากเดินรงกลมเนีขาแทบเด้งเลยกว่าจะตื่นอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งกิเลสเบาบางถูกสกิดนิดเดียวก็มองเห็นแล้วก็ตื่นง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าเขาช่วยแล้วจิตเป็นยังไงถ้าจิตเขาเป็นกุศลมันก็ดีอจิตเป็นกุศลหรือว่าเวลาทําหนังสือด้วยการรับประชุมกันทะเลาะกันโมโหขึ้นมาเห็นความโมโหอย่างนี้สิก้าวหน้าได้เห็นกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆอเวลาอยู่กันด้วยฉลัดแล้วกิเลสเกิดมากโมโหมันโมโหควนโทสะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามองเห็นบ่อยๆเขาก็จเจริญได้ อะไรนะนร ไ, ม ไ, ไม่ใช่เราไม่ได้เจตนาไ <c oughs> อ้ น, นี่เป็นผลไปลได้เป็นความเก่งของเขาเองอยังจะเอาความดีใส่ตัวอีก <c oughs> ยังไปร่ารานเขานะแล้วเขาก็ทุกข์ยากแล้วเขาดูของเขาเอาใจเขาบรรลุไม่ใช่ฝีมือเรานะเอ <c oughs> เราไม่มีส่วนได้เสียอะไรแต่ถ้าเราเจตนา รู้สึกว่าไปชวนเขามาทำบุญแล้วจะคอยยั่วเขาเราจะให้เขาคอยดูใจตัวเองนะเขาจะได้บรรลุมีเจตนาดีอย่างนี้ใช่ได้นะแต่ถ้าเจตนายั่วโทสะเขาเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยแต่เขาดีของเขาเองอย่ามาเอาใส่เราเองสิ <c oughs> คุณผู้หญิงน้นเป็นไงภาวนามาจากไหน ใช่เบาแล้วนะเริ่มเบาแล้วฝึกไปนะที่ทําอยู่พอได้แล้วลนะ่ะคอยรู้สึกแปกจิตมีปิติก็รู้ว่ามีปิตินะเราไม่ห้ามเขาหรอกเราดูเข้าไปนะจิตเมื่อกี้ไม่มีปิติตอนนี้มีปิตินะจิตเมื่อกี้มีปิติเดี๋ยวนี้ไม่มีปิติอย่างเงี้ย ดีแล้วล่ะบะคุณน้องน้อกินค่ะเคยส่แดดะแกมา่อ้วกเน่กคิดจะมาสไห่าจะนได้น้องแกนะคะก็เลยอันดีแล้วนะชวนกันปฏิบัติดีนะเรียกว่ากาลยานมิตรช่วยกันบุกคเป็นไง ยาเราไม่ได้คอยดูบ่อยๆถ้าเราเห็นบ่อยๆต่อไปก็เข้าใจการที่เราคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะต่อไปก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยตัวเราไม่มีหรอกตัวเราไม่มีก็มีโอกาสรอดแล้วยัง <c oughs> เป็นจุดแรกเลยต้องไปให้ถึง คุณผู้ชายนี่่ะเป็นไงบ้าง เราไม่ไปนสนใจว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรอะไรงี้ไม่เอาหรอกนะดูที่ใจอันเดียวนะเช่นให้รู้ทันความรู้สึกของเราคอยรู้ความรู้สึกอยู่อันเดียวเพราะจริงๆเราไม่ต้องไปไล่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกช่องไล่หกช่องเยอะเกินไปไล่ไม่ทั น, นให้รู้ที่ใจอันเดียวพอตามองเห็ น, นความรู้สึกก็เกิดที่ใจหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เกิดที่ใจ อย่างเราตั้งใจจะฟังธรรมะถ้าเกิดมีคนส่งเสียงหนวกหูเนี่ยใจเราเกิดโทสะโกรธโมโหและวลำคาญแลให้รู้ที่ความโกรธนี้ไม่ใช่รู้ว่าอ๋อตอนนี้เด็กมันตะโกนหนวกหูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ให้รู้ที่ใจเราความรู้สึกอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมให้คอยรู้สึกอย่างนี้ยใจมันหนีไปก็รู้ใจมันมีความรู้สึกอย่างไงก็รู้รู้สองอย่างการดูจิตเนี่ยอันหนึงรู้ความรู้สึก อันหนึ่งรู้พฤติกรรมของมันเช่นมันนี้ไปคิดอย่างขนณเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเออนะเนี่ยให้คอยรู้ทันอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยความรู้สึกก็เปลี่ยนตัวจิตเองก็เปลี่ยนเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปคิดนะคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆทีแล้วละ่ะค่อยฝึกไปเผลอไปแล้วนะคุณใจรอยนะอ่ะสองคนนะะั่นล่ะสองท่านนะั้น เหลือดีนอ เ, เ น, เ น, เนเาะพาแม่พาน้องมาเข้าวัดบางบ้านน่ารักมากเลยมากันทั้งบ้านเมีผ้าบ้านคนหนึ่งนะแกมีหลายบ้าน <c oughs> <c oughs> แกพามาทีละบ้าน <c oughs> โอ้ยยอดยอดนักบริหารจริงๆนะ <c oughs> พามาทีละบ้านที บ, นทบ้านเรียนนะเรียนทุกบ้านเลยเลยไม่ตีกันเลยแกสบาย <c oughs> บอกหลวงพ่อมีบุญคุณกับผมมากไม่ว่าเรื่องอะไรที่จะทําให้เมียไม่ตีกันยมรู้จักใจลอยไหมยมผู้หญิงเนี่ยรู้จักใจลอยไหมใจลอยมันจะหนีไปเรื่อยๆนะใจลอยเนี่ยภาษาพระแปลว่าขาดสติเนะพราะสติเนี่ยคือความไม่เลื่อนลอยนะพอไม่มีสติเนี่ยใจมันจะเลื่อนลอย เดี๋ยวลอยไปโน้นลอยไปนี้ส่วนมากลอยไปคิดนะเราจะหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งมันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าใจเราลอยไปคิดนะเราจะเกิดสภาวะอีชนิดหนึง่งสภาวะแห่งความรู้และตื่นขึ้นมาพอนะใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันว่าใจคิดเราจะตื่นนะหน้าที่ของเราก็คือตื่นให้บ่อยหน่อยตื่นบ่อยๆเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม เอายมคนไหนจะเรียนที่เปลี่ยนนะ้ำวันนี้มีพระมาละมีพระมาะต้องแบ่งเวลาให้พระนั้ น, มมนไม่จะไม่เป็นไรนะส่วนมนต์มันก็แค่เราลึกถึงเราไม่สวดภาษาบาลีก็ได้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนที่ดีๆอย่านึกถึงในหลวงอะไรเนี้ย นึกถึงคนดีนึรเทวดานึกสตินะแล้วจิตใจของเราก็จะสงบจิตใจเราสงบมีกำลังเราก็ดูของเราต่อไปนะอา้าวลูกชายเป็นไงลูกชายเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมโอ้ดีดีมากเลยนะเห็นกิเลสเนี่ยเออแรงดันนันเน่เป็นตันหา เวลามันมีความอยากนะมันจะดันขึ้นมารู้สึกไหมแล้วมันเป็นเจ้านายเรานะพอมันดันขึ้นมามันสั่งเราเลยให้พูดเราก็ต้องพูดให้ทําอะไรเราก็ต้องทำนะเออแล้วต้องมีเป็ูต่อว่าเปิดไปคิดนะไม่ก็แค่รู้ว่าเปิดไปคิดแต่ก็เลิกเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วอันนั้นเป็นอดีตหมดแล้วนะดีแล้วทําได้ดีนะฝึกมากๆนะ ร็กแล้วดีมีความสุขฝึกไปแล้วทางนี้ล่ะคุณผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เลยหลบใหญ่เออดีดีเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะ <c oughs> แล้วพยายามฟังนะหลวงพ่อรับรองเลยถ้าฟังไปเรื่อยๆ่อยนะความทุกข์จะน้อยลงจริงๆ <c oughs> เราแต่ละคนอยู่กับโลกนะ ความทุกข์มันมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้การที่เราฝึกปฏิบัติธรรมไว้เนี่ยคล้ายๆเราเตรียมพร้อมไว้สถานการณ์ในชีวิตผันแปรมายังไงนะพอตั้งหลักง่ายดีกว่าคนไม่เคยฝึกเลยเวลาเจอปัญหาชีวิตรุนแรงนะไม่รู้จะทํำยังไงยิ่งแย่ใหญ่มันคล้ายๆเราหัดว่ายน้ํานะต้องหัดไว้ตั้งแต่ก่อนจะตกน้ำเพราะฉะนั้นฝึกไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงดีต่อไปอาจจะต้องแก่ พนะอแก่ๆไม่สบายอะไรเงี้ยนะถ้าคนไม่เคยฝึกนะย่าแย่เลยฝึกเอาไว้นะการฝึกปฏิบัติธรรมนี่ก็คือฝึกเรียนรู้ตัวเองคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจของเราเรื่อยๆปกติเราชอบไปรู้เรื่องคนอื่นนะโดยธรรมชาติเลยชอบรู้เรื่องสิ่งอื่นรู้เรื่องคนอื่นนะหันมาเรียนรู้ตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเราเองบ้าง รู้ไปได้เราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งอัศจรรย์มากเลยแค่เรามีความรู้สึกตัวเราก็มีความสุขแล้วความสุขนี้ไม่ต้องไปซื้อเสียเงินเสียทองนะรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขได้เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นด้วยความสุขอย่างโลกโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาเลยแต่เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นตัวของตัวเองได้ะค่อยๆฝึกไปหัดรู้กายหัดรู้ใจ อากมีใครจะคุยอะไรเชิญคุณผู้ชายข้างหลังนั่นแหะเมืม่อกี้กเออหัดเอานะไปฟังซีดีหลวงพ่อผ ม, มขึ้นมาก็ขอ่อยพ่อเปนหลกเพาะว่าเมื่อปฏิบัติไปเกิดใช้งานันรายมากคนไม่ได้นะครับก็ตอบกับมาที่เรื่องผมก็วนเวียนวนเวียนอยู่นีะรับยฝึกแบบไหนฝึกแบบท่านโกเอก้าหรือเปล่า ดูเวทนาหรือเปล่าอะไรนะอ๋อดูลมหายใจเหรอเราหายใจในทุกๆอิริยาบถได้อยู่ละยกลับนิดนึงนะหายใจเนี่ยไม่ใช่หายใจเพื่อจะสุขเพื่อจะสงบอะไรหรอกหายใจเพื่อจะคอยรู้ทันใจตนเองนะเช่นเราหายใจไปหายใจไปแล้วเดี๋ยวว่าใจหนีพิคิดแล้วเราก็รู้ทันว่าใจเราหนีพิคิดก็มาหายใจใหม่หายใจแล้วใจก็ไปเพ่งลมหายใจไว้เราก็รู้ว่าไปเพ่ง นะหายใจแล้วเกิดสบายใจก็รู้หายใจแล้วเกิดหงุดหงิดใจลำคาญใจฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วก็คอยรู้ทันใจตนเองเรื่อยๆนะเราไม่ต้องนั่งที่เดียวก็ได้นะเราไม่จาเป็นต้องนั่งอยู่กับที่ห้ามกระดุกกระดิกอันนั้นสำหรับคนที่จะฝึกดูเวทนาถ้าจะดูเวทนาเนี่ยต้องทนนั่งเทนลำบากเอาเห็นกายก็อันหนึ่งเวทนาก็าอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งฝึกเองแต่ถ้าจะดูจิตดูใจตนเองแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราหายใจไปคอยรู้ทันใจตนเองนิมนต์ครัท่านอาจารย์ขอทางให้พระท่านเดินหนยครับ